วันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนส1บอ็ดออกพรรษามาได้แปดวันเป็นแปดวันเป็นวันพระแรกเพราะฉะนั้นพวกเราในพรรษาพวกเราก็จริงจังสมาทานศีลพอออกพรรษาแล้วเราจะเฉยเมยเกินไปก็ไม่น่าจะถูกก็ควรจะผ่อนผอนลงให้มีศีลห้าประจากายวาจาของพวกเราด้วย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 พฤศจิกายนพุทธศักราช2558อีกวันที่8ก็เป็นวันกะถินของพวกเราขอประกาศให้คณะทาญาิโยมลูกหลานที่รู้จักมักคุ้นกับวัดป่านาคำน้อยของพวกเราวัดป่านาคำน้อยพวกเราเป็นวัดของพี่น้องปิชายชนทุกมูเหล่าเป็นวัดสาธารณะต้อนรับขับสู้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 เพราะนั้นหลวงพ่อเองขอบอกกล่าวลูกหลานคณะัทธายาตยโยมทุกคนเนอถ้าเป็นไปได้ทามาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ได้อบอกว่ามาไม่ได้ก็ให้มาไม่ใช่ถึงขนาดนั้นถ้าหาผู้ใดมาได้ก็มานานทีปีหนบางทีอาจจะไม่ นานเท่าไหร่จึงจะได้มาพบมาเจออย่างนี้นะถือว่าวันที่แปดนีเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพวกเราท่านทัน้งหลายเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน้าที่ของพวกเราแต่หลวงพ่อเองจะจะขอร้องส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าวันนั้นเมื่อเราตอนเช้าอย่างนี้แหละพวกเราตักบาท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 พวกเราท่านทั้งหลายที่มาสู่วัดของหลวงพอ่อจะให้หลวงพ่อไปหาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องถือมาอมาทำบุญด้วยเมื่อหลวงพ่อได้แล้วหลวงพ่อก็เเชื อ, เ, อเฉลือเพื่อแผ่ให้กับพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานถ้าได้กินทั่วถึงกันแต่ว่าพวกลูกหลา น, นมีแต่มาแต่ตัวเปล่ามาแต่ตัวเปล่าจะจะมากินอาหารดีๆ ไ, ได้ยังไง เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ทําบุญไว้นะสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกเราเพราอหลวงพ่อจึงบอกว่าสวัสด์วัดของเราเนี่ยสวรรค์ไกลไกลถ้าหากว่าพวกเราได้ทําดีไปแล้วเนี่ยความดีก็จะจะตามสนองแต่เมื่อเราทําบุญไว้ในพบนี้ชาตินี้เมื่อตายไปแล้วเราไปสู่สวรรค์อันในสงแห่งทานที่พวกเราได้ทําบุญนั้นอนะ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 จิตตะพวกเราเอาใจฝักใฝ่จะทำยังไงงานนี้จะสาเร็จร่วงไปด้วยดีวิมังษาใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลในการดำเนินงานของพวกเราเพราะนั้นงานของพวกเราถ้ามีอิทธิบาทสี่อยู่ในกลุ่มชุมชนของพวกเราไม่เหลือวิสัยงานถึงจะจุ้งยากมากขนาดไหนงานในเรื่องนั้นนั้นเรื่องนั้นนั้น เราก็จําเร็จร่วงร่วงไปได้เพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆกท่านนะอันนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกันนะที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนะี่ยปุญญานิปรโล ก, กัจมิงปฏิฐาโหรติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่แหละการทําบุญจะทํายังไงก็ทําอย่างนี้แหละสาธารณประโยชน์อย่างนี้แหละเข้ามาช่วยวัดวาศาสานา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 พวกเราจรึงว่าพุธทธังทำมังสังคังสระนังคัจฉามิยิบปุพุตเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรระเป็นที่พึ่งเพาะพวกเราได้คิดดูแล้วกานกรองไตรตองด้วยดีแล้วเรายอมรับว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้ามีเหตุผลจริงถาว่าเราคิดดูแล้วว่าตรงไหนไม่มีเหตุผลแล้วก็ไปนำไปถามท่านผู้รู้เถอิ เราอาจจะตีความหมายผิดก็ได้ในจุดนั้นอ อ, อาจจะตีความหมายเข้าข้างตัวเองหรือตีความหมายผิดแต่ทําไมาคนทั้งหลายยอมรับกันมาแต่ข้าพเจ้าพิจารณาโดยแล้วไม่เห็นด้วยคํำนี่อ อ, อาจจะเป็นความหมายผิดนะอย่างอภิ ช, ชาตาเนะี่ยอภิ ช, ชาตาเป็นผู้มักน้อยเนะี่ยเขาก็เอามาตีแผ่เหมือนกันนะบางบางครั้งบางการเนะี่ยทําไมพู้ใศาสนานะเนี่ยสอนให้คนมักน้อย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 อันไหนจะเป็นปัจจัยสี่มาสู่ตนเองนั่นแหละให้มันขยันหาอุทานสัมปทาอรรคะสัมปทาให้รักรักษาเมื่อหาเจาะแสวงหามาโดยความยากลําบากด้วยปัจจัยสี่มาได้แล้วให้รักษาเอาไว้ อ, อ, อย่าไปใช้อลุยชุยแชกอย่าไปทําตนไม่ดีเมื่อได้หน้าที่การงานมาแล้วก็ลืมตัว อ, อพอ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 ผ้านุ่งห่มยากแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยนี่แหละปัจจัยสี่อาหารปิดบาทอาหารทรัพสมบัติที่เป็นอาหารสรุปแล้วก็คือเงินนั่นแหละถ้ามีเงินอย่างเดียวเท่านั้นราคาใครโบแสวงหาซับได้เงินมาเท่านั้นแปลว่าหาปัจจัยสีได้เกือบทุกอย่างเราซื้อบแสวงหาได้อันนี้ว่าอาราคาเมื่อได้มาแล้ว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 ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละความจิบหายความหายชนะก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราถ้าเข้ามาหาเรานั้น่ะเออเราไปอยู่ในคุกในตารางลเล อ, เอนั่นแหละเมื่อนั้นแหละเออเราจะเสียใจไม่รู้จะเสียใจยังไงเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราทนะําน่ะมันไม่ถูกต้องอทําไม่ถูกต้องควรจะละและอย่าไปทําต้องตัดใจให้แข็ง อย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้ามันผิดกฎหมายอะอย่าไปทำถ้ามันทำขึ้นมามันบวชผวาอยู่เรื่อยเห็นใครขึ้นมาก็กกแกกขึ้นมากันนะตื่นตนกขึ้นมาแล้วเพราะเองเหมือนกับคนโบราณเขาบอกว่าเหมือนกับวัวสันหลังบ่าอย่างนี้งัวสันหลังเป็นแผลวัวสันหลังเป็นแผลอีกาบินมาในท้องฟ้าเนี่ยกากท่านนั้นนะวัวตัวนั้นสะดุ้งเลย